เมื่อวานเจอลอกเตอรใส่ทับชื่อคนผู้ชายเรียนอยู่เป็นปีเลยภรรยาแกเข้าใจก่อนภรรยาเรียนไม่กี่เดือนภรรยาเป็นอาจารย์เกตรใช่ไหมจีบเนี่รู้เรื่องไหลก่นแต่ว่าล็เตอร์ใส้แกรู้ช้ากว่าเมียเพรจิตแกที่หล่ไม่ต้องแสวงหา ตัวที่ปิดกั้นการการเข้าใจอ่ะตัวแรกเลยคือความอยากนล่นแหละนี่พอเราอยากอยากปฏิบัติอยากเข้าใจอยากอะไรเราก็ดิ้นรนจิตใจมันดิ้นรนไปแล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นไรดิ้นไปก่อนเดี๋ยวดิ้นไปแล้วจะได้ไปเรียนรู้แล้วเข้าใจเราลางเลยเราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วให้จิตมันดิ้นแล้วเรารู้ว่าดิน้นไม่ปฏิบัติเสร็จแล้ว นี่รอว่าให้มันรีบไปก่อนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ดูตั้งข่าปฏิบัติตั้งหก ต, ตั้งใจเอาละจ้องกลับสบวนข่าลับจิตใจได้ที่แล้วเริ่มจ้องจ้งจ้องจ้อง ไ, ได้กินแวม่ากลับไปก็ไม่ทาอะไรครับก็เพราะว่าติดิิแข้งมากนะครับ้งลงนนแรยัไากไหนลมหายใจด้วย <c oughs> ก็คปกติครับเองแล้วไม่กมี่ตัวไม่ได้เมื่อวันก่ไปก็ไม่ทําอะไรเลยก็จริงมันไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยนะแต่างจริงว่าจิตใจแอบไปทําอะไรเราเครู้ส่วนในการที่เราจะไหว้พระสวดมนต์เมื่อสมาธิเดินโยนลมเคยทาก็ทำไป น, นะแต่ <c oughs> ทิ้งรูปแบบแค่ทีเดียวเดี๋ยวก็ทะเลิดไปเลย การปฏิบัติโอ้ยจริงๆริง่ายหลวงข้อไปเรียนจากหลวงคุณดุลสอนมันนี้เดียวสอนมีประโยชน์สองประโยคน์อ่านหนังสือมปเยอะแล้วอ่านมามากแล้วต่บไปนี่อ่านจิตตวเองท่านไม่ได้บอกให้ปฏิบัติเลยจะถามท่านว่าจะปฏิบัติยังไงท่านไม่ได้บอกเรื่องปฏิบัติเลยให้อ่านจิดตัวเองก็อ่านก็อ่านหน้าอ่านจิดใจเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหน้าอานไปได้เลย เหมือนนังสือที่อ่านไม่จบเนี่ยถ้าเราไม่คิดว่าเราจะปฏิบัติเาาราอ่านเอาใจาเป็นเงีย้ยแต่ถ้าถ้าเราอยากปฏิบัติเราก็ลงมือจะทำครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกให้ปฏิบัติแค่มาให้ดูเอารู้เอานี่เราก็ล้างปัญหาไปตัวนึงเนาะตัวที่ติดการเกวดที่สองคือคิดที่ความเห็นของเรา ท่านบอกไม่ท่านไม่ได้บอกให้เราทําอะไรท่านบอกให้อ่านเอาเมื่ออ่านเอาเนี่ยคิดถี่ใช้ไม่ได้อย่างเราอ่านหนังสือเนี่ยไม่เกี่ยวกับความเห็นของเราเราอยากดูว่าหนังสือมันว่าอย่างไรที่เราอ่านใจเราก็ดูว่าใจเรามันว่าอย่างไงบ้างนั้นมันก็ปลอดจากคิดถีเราไม่เอาความคิดความเห็นก็ไมาช่วยวิจารวิจารณ์วิจัยเหมั้งเราเก็บปฏิบัติเลยชอบคิดคิดเรา กลา ย, เ ป, ยางงาเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้นะเมื่อผลน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดๆอย่างเอาความเห็นเข้ามาใช้ถ้าเราคิดว่าเราแค่จะอ่านแค่อ่านใจใ จ, จมีมีความสุขแล้วก็อ่านเนละครบทนี้กําลังอ่านถึงบทที่มีความสุขอ น, นิยายทําหน้าที่แค่อ่านไปตัวปิดกัน้นตัวที่สองตัวหนึ่งคือมารนณะ์ ทำถือตัวพวกนี้ส่หน้าอยู่เป็นพวกเจ้าสํมมานักตัวหัวหน้าทีมหัวหน้ากลุ่มคนปฏิบัติขับทําเป็นกลุ่มๆไม่มีหัวหน้ า, นปปปนนนาไปสอนคนอื่ น, นลูกทีมก็มาน้าน้อยหน่อยหัวหน้าก็มาหน้าเยอะน่อยอนนี้อัตีมาณ์มาณาใหญ่ จะให้มีอัติมานะเองมาเรียนลับเตลงพวกเจ้าสมมานักโค้หัวหน้าทีมเตงเต็นไม่ได้คอยกลัวกลัวถูกถามแล้วจะตอบไม่ได้แล้วฟังก็พยายามจะต้องรักษาหน้าเนี่ยเองอย่างเคยไปสอนทับพวกเอาไว้ผิดพลาดพลาดเอามาฟังได้ไหม อ้าวนี่เหมือนกันที่ตกใจตกใจแล้วพยายามรักษาหน้าในการพยายามตีความคําตอนที่หลวงพ่อบอกเนี่ยตีความใหเข้ากับคอนเซ็ปต์เดิมจะได้ไม่เสียหน้ามากจะบอกว่าโอ้เงินแันแหละภาษาตานกันหาพรรคพวกเขาลู้ข้าวบุกอีกพรรคพวกรู้เรื่องเล้วมันเป็นลาภเขาเสียอีกแล้รักษาหน้าอย่างนี้บ้าบ้า ในร้านทำก็มีนะเรีสอนคนอื่นเขาปิดๆเขียนปิดๆไปอ้านหัตถ์ใจพิดปิดๆอ่างกับหัวกระฐานเลยนะเสร็จแล้วก็หลวงพ่อติงไม่สูงแล้วนะถ้าถ้าถ้าถ้าหลวงพ่อไม่สูงมนึงใครรู้หรอกโอ้ ทอดกันนะสือกันไปปฏิบัติทุเกเ์ตุากันต้องรู้ขอ้ขอควรปิดไม่ได้นะเป็นอาจารย์นะ <c oughs> เราประจัดสามตัวนี้คือปัญหาความอยากอยากรู้ธรรมะอยากป ฏ, ฏิบัติอาจารเป็นจริ้งไปประจัดความเห็นต่างกันเข้าอานะ่านมัน ไปจัดปัญหาก็คือเราไม่ทําอะไรอ่ะ เ, เ, เกิดไฟรู้ไปอะไรเกิดขึ้นเราจะไปรู้ไปเนะี่ยเกิดทางกายเกิดทางใจงงใก็รู้ไปจะเห็นว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราอะไรหรอกเป็นธรรมชาติาที่เกิดขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปไปจัดพิจิตรีเหยียบไปออกความคิดความเห็นเขรู้เข้าดูแต่เข้าอ่านไป อะไรเกิดขึ้นทางใจทางใจงอา่านมันไปอ่านใจตัวเองไม่ได้ใหน้าตาเขาคอยสังเกตคอยดูทันมันขนาดได้มาชายยังได้เป็นแค่นักศึกษาเลยอยู่ในเสถาบุคเพยังนักศึกษาเังต้องเรียนต้รู้ยังทําผิดทําถูกอยู่งั้นเราอยา่าไปกังวลว่า เ, เดี๋ยวเราผิดเดี๋ยวเราถูก เสียหนานะ้าไหมดูถ้าเราไปสอนใครเขาผิดต้องรีบแก้ไขเดี๋พวกเรารับทำเล็บชอบแสดงความเห็นเลยในชะ่ไหมติดน้าต้องรั บ, รบติดชอบหน่ยอนะ่าอรนระัดหลวงพ่ชาหมตาเมนเนี่ยบอกวินัยติดให้ไปข้อน่เข้า ย, ย่างๆคุยกันเสร็จแล้วตาเสมนด บ, บอกว่าวินัยให้ข้อนึ่ง ช, ชาอชาขึ้นเขาไป ตกเด็กๆกับผู้เฒ่าปีนเสาเรื่องแบบผมจำผิดโอ้หนั่นแหะจิตใจของคุณท่านเลิศเลยคุณอาจารบอกจะรีบมาทำไมเช้าไปบอกก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมตายไปแล้วท่านจำไว้ผิดท่านเอาไปประพิสจิตท่านเอาไปสอนคนหลนผิดเรื่จิตใจของผู้ปฏิบัติมันต้อซื่อๆตรงตรงจำซื่อตรงในสิ่งเหล่านี้เราไส่หลักใส่ อะไรที่มันเบี่ยงเบ ม, มันบิดเบี้ยวคอยสังเกตคอยรู้นะใช้จิตใจที่ซื่อๆจิตใจซื่อๆแล้วปฏิบัติง่ายเข้ารู้เข้าดูัปเราจะเห็นว่าจิตใจของเรานี้ชอบทํางานเราจะเราเองชอบทํางานทำอะไรนะพอใจเราเข้าใจแล้วก า, า ร, นะราคิดเนี่ย ควมเข้าใจเก็ดขึ้นไม่รู้เขาคิดไปคิดไปยิ่ปคิดทิ่งคล้อเท้างอย่างนี้ก็จะว่าไปนะมันเหมือนเส้นผมบางภูเขานิดเดียวนิดเดียว่ายมากเลยเราหลอกลวงธรรมะเนี่ยแสดงอยู่แล้วเราหลอกเงบิดเแี้วเที่ยวไปทค่ทำไรแบบนี้ รู้อย่างเนี้ยนะรู้ทันเนกันจิตใจเรามีพฤติกรรมอะไเรารู้ทันมันมันสุมันทุกขมันดีมันร้ายมันเป็นยังไงรู้ทันเหออ่านไปเรื่อยๆทำตัวเป็นนั่งอ่านดีอาเฉยๆไม่ใช่นักวิจารณ์นะเป็นนั่งอ่านนิยายเฉยๆไม่ใช่นักวิจารณ์วรรณกรรมจาไม่ได้แต่ว่ารู้ทัน ทำวิจารณ์นะฮะหยิบเปรี้ยวใครจะรู้ไหมแค่ผัดไปง่ายๆนะรู้สึกบ่อยๆของง่ายๆทถามว่าไม่ง่ายสินะไม่ง่ายกับคนอื่นมันยากเพราะอะไรคือเราทำอย่างเราทำงานีมันยาก อย่างอัตรีรักษาคนคนบ้าบ้าจัดจัดยากอาติีไปดูคนอื่นเขรักษ า, าไม่ยากเราเล่นมักรุกแข่งมักรุกเองก็ยากไปยืนอยู่ข้างกระดานดูเขาเล่นไม่ยากไปดูเขาชคมวยไม่ยากนะโชคเองยากเปลี่ยนสถานะตัวเองจัดผู้ลงมือกระทำมาเป็นผู้ดูแล้วไม่มีอะไรยากเลยยากเพราะเราอยากกระทำ พยายามแตจะทำรู้ยากกล่าวว่าทีไรมจะมีความแน่นใจกลิ่นของกลิ่นกลิ่น่เป็นไรแต่มันก็ไม่รู้ว่าแต่ไม่แก่เรามีนั่ที่ห่านี่เขาเพ็นกลิ่นหรือว่า อ hmm? มันยิ่งขันงน้อยกว่าอือขังน้อยก่าเ น, นี่เราจะรู้สึกการปฏิบัติยากก็าเราไม่เลิกลนักเตะใช้ทัศน์เมา่อวานบอกทำมายากเย็นแผนเขียนทำไม่ได้แล้ ว, ลวเราไม่มีวาสนาขอทำบุญทำทานอย่างเดียวเอเลิก เลิกทําอะใจก็เบาไปเลยพอใจเบารู้ว่าใจเบาเพราะมันแค่นี้เองเห็นไหมว่ามันห้ามการดิ้นรนไม่ได้อย่างเชออยิราสีนี้เขถูกเร้นด่าพวกในเน็ตเขาเ่วยกันด่าด่าด่ามันเดี๋ยว่าเสียงกระเจิงโจ้หรืออะไรเสียงกระตุ่นอะไรอย่างเงี้ยพวกกลุมด่าท้อใจมาที่นี่หลงพ่บอกว่าไม่ต้องสนใจคนอื่นนะดูใจของเราอย่างเดียว นั่งรถกลับไปจังหวัดกรงดางตีเช้าที่สามเข้าใจแนละ้วดูลูกเดีย ว, วยนะี่ยหละยได้แก้ไขคนโบว์อหัดใหญ่คนะโมเป็นคนเครียดสับเครียดพยายามมากนะหลายปีลำบากร้องผมร้องไห้ด้วยทำเพื่อผิดก็เเรี่องแล้วทำมันก็ผิดนั่นแหละ ท้านท่านไม่ได้สอนให้เราทํท่านสอนให้เรารู้ว่าของจริงเป็นไงเราต้องการรู้ว่ารูปกระทำนำมามกระทำไม่ใช่ตัวเราเราต้องการเห็นจนถึงตรงนี้หรือเราจะไปทํามันให้เป็นตัวเราให้ได้นี่สังเกตเห็นไหมดีมากเผิดแล้วก็ถูกผิดแล้วก็ถูกอย่างนีอา ก, กาดสูกตลอดนะผิดตลอดเล ย, ยาการทําให้สูกแล้วผิดหมดเลย พอมันรู้สภาวะที่ดีรู้สภาวะที่ถูกต้องแต่ตามที่มันกําลังเป็นก็ถูกเป๊ะเลยนี่พอพอมันรูน้สภาที่พอามรู้สึกะนมันก็ใหญ่เลยอยากให้รู้แรกต่อนะอยากก็รู้ว่าอยากใช่ไนหะมคุณหลอกเราอีกแล้วเพราะฉะนั้นพอถูกแล้วเนี่ยส่งถูกไว้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีหน้าที่ส่งไว้ด้วยเราจะไปส่งสิ่งที่ไม่เที่ยงให้เที่ยง อย่างจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงผมว่ามันมีอยู่สองอันมีจิตรู้กับจิตที่หลงจริงๆก็ไม่ใช่ผู้รู้อะไรหรอกคือธรรมชาติที่รู้สึกตัวสุกต้องธรรมชาติที่หลงตามอารมณ์ทาเรียกท่าต่าท่านเรียกง่ายๆผู้รู้จริงๆไม่มีตัวมีตนผู้รู้อะไรหรอกธรรมชาติที่มันรู้ตัวจิตรู้กับจิตหลงมันข้าให้มันเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หรอก อรู้แล้วรู้ระดับไม่ป็นหลงอย่าหลงยาวเท่านั้นแหละนี้การปฏิบัติไม่ต้างหน้าหรือไม่ต้องหน้ า, อ, น อ, นาอยู่ที่หลงยาวหรือไม่ยาวถาว่าไม่ให้หลงได้ไมไม่ได้จริงๆฟังอย่างก็เข้าใจในระดับความสัมนธ์กาลงมือทำอย่างก็จะตกวตัดตัวเกไปแต่ว่ากรอบ มันเ็บหลักๆเนี่ยจับ ไ, ได้ก่อนนั้นคือปริยัติการฝันแล้วเราเข้าใจไว้ส่งไว้ปริยัติเพราลงมือทําเนี่ยเราจะพลิกกำลังไม่ทันเราจะพลาดเป็นช่วงชัวร์เราือาเราหลงไปช่วงหนึ่งแล้วเรารูา้ทางเช่นเราพยายามพยายามจะไม่หลดเห็นไหมเราพยายามจะไม่หลงนั่นก็คือหลงลแหละเราพยายามใหญ่เลยทำไมจิตใจเราประตับกระส่ายเนาะ ศึกษาไปา้าบหน้าอ๋อมันอยากอยากไม่หลงมันก็เลยทุกข์ขึ้นมาไม่รู้ทันนะปฏิบัติไปชนเข้ากับปริยัตินะตรงกันเรื่องตอน้นเราวก็ฟังให้เข้าใจเมื่องต้นไม่ไช้เก้งนะอย่างเรื่องตอน้เง น, ะ เ, อตอนเอาลงมือทำเก้เงเาเก้งเราเราเป็นสาวกปรภูมิเรื่องต้นต้องฟังให้รู้เรื่อง <c oughs> อยกครูอ า, าจารย์บอกว่าให้รู้เอานะไม่ใชทาําเราครับครับเดี๋ยวจะรู้เอาตั้งค่ารู้แล้วไม่รู้ว่าทำํำรู้ไม่ทันว่า แ, บบแอาปทําอ่ะเราฝึกไปนานนเฉลียวใจเห็นไหมตอนฉเฉลียวใจเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วอา้านี่มันทําอยู่นี่นี่มันตั้งใจทำเนี่ยมไม่ใช่รู้เอยก็รู้ทันไปไอ้ตัวนี้ก็หลอกเราไม่ได้ ตัวไหนที่ยังไม่รู้ทันก็มาหลอกเรา <c oughs> ต่อก็ <c oughs> วใวค่อยๆเราศึกษามีบทเรียนต่างๆบทเรียนไหนรู้ทันก็สอบขา้าวก็เป็นเจียวบทเรียนที่ยา ก, ยากนิดนิดบทเรียนที่ยากคือบทเรียนอะไรรู้มหมเรื่อที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อ, อุศน์เนนะี่ยหลักนักวิทยาตรนี้ได้นานอนะุศ น, เน์เลยหลักลเลยเฉียดขา หน้าตาเหมือนกุศลตัวมันหล่อเดน่ห์เลยจิตใจที่โปร่งใสเ บ, บิกบานดีเลยตัวจิตที่รู้ดีจิตที่ไม่รู้ไม่ดีมีดีมีไม่ดีดหลอ่อไปเลยยังฝนตกตลอดไหมอาเชิญใกล้ๆเนี่ยตีโม อ๋อต oh, ัแปดโมงสารางทีคนที่เสียสพูดันมันเป็นมันเป็ความสั่นไปกระลุไปกระลุไปกระลุไปเลยจริงๆแล้วคือความีขัดษัมีการกระทบขัดสั่งกระทบมันก็มีความกระเทือนถ้าลงตีลงกับติตารณ์ก็กระเอนหมือนกันูอกไหมไย แค่ะติ๊บตายอย่างนั้นเพียงเลยต้อมีถัดศาส์มีการกระทบจะท่างกระทบเล็กกระทบน้อยนะจิตยังไหวถามว่าห้ามไม่ให้ไหวไดนะ้ไหมห้ามไม่ได้ท้ามไม่ได้นี่เราปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปดูอะไรมากมายถ้าจิตหนีไปแล้วก็รู้ทันมันิแตแค่นั้นแหละพอละ หลวงู่ดูในสานนิดเดียวจิตส่งออกนอกบางคนก็เรียกว่าหลวงปู่ดูสานเรื่องจิตตานุปัสสนาแล้วท่านสุขว่าจิตจริงสอนลึตรงไปจิตไม่ออกนอกนนนนก็คือไม่มีปัญหาหกปัญหาหกส่วปัญหาทางตาหูจมูกลิ้นกาใจปัญหาในรูปเสียงจิตกดสภาพสมารณ์โดยใ จ, ยจตั้งใจจัตัญหานี่ นิพานคือสภาวะที่ปราศจากปัญหาเมื่อไดใจปราศจากปัญหาเราจะเริ่มรู้จักรสชาติของนิโรธของวิมุตของนิพพานเป็นลําดับๆไปมันมีอยู่ห้าเกลดวิมุตติมีห้าเกล็ดนิโรธก็มีห้าเกล็ด อย่างการที่จิตเราคุ้งสร้างอยู่ก็ทําความสงบสงบได้ก็ถือว่าเป็นนิโรธเหมือนกันเป็นนิโรธเพราะสมถะเป็นโลกภะเรามีความเห็นผิดว่าร่างกายจิตใจเป็นตัวเราแล้วเราจะเดินวิปัสสนาเราเข้ารู้เข้าถึงเอ้มันไม่ใช่ตัวเรานี้ก็เป็นนิโรธอีกตัวหนึ่ง มีโรดที่เกิดจากปัญญาแต่ดจากวิปัสนาตอนที่มรรเกิดก็เป็นนิโรดอีกชนิดหนึง่งการที่ผลเกิดก็เป็นนิโรดอีกชนิดหนึง่งการที่นีพพานจริงๆเลยก็เป็นนิโรดอีกตัวนร่องเรื่นอนสอนมิโรดไม่ไหนตัวเพให้กำลังใจ ก, ใกำลังใจตอนนี้ เหมือ น, น, น, นเป็นหลักใจยอาอย้เนี่ยอย่างนั้นก็ดีใจเป็นช่วงๆไปครับอย่างแค่จิตเราพุ้งสร้างเราทําความสงบเข้ามานันต้องว่าดีละแต่ดีแบบสมถะติดฟุ้งสร้างเรารู้ว่าพุ้งสร้านเห็นว่าฟุ้งสร้างไม่ใช่ตัวตวนอะไรหรอกเป็นธรรมชาติเป็นนามธรรมมันนึ่งปรากฏขึ้นมาเกิดับไปฟุ้งหรือไม่ฟุ้งใจไม่กระเถือนไม่หวั่นไหว น, นิโรธอีกแค่นีดหนึ่งนิโรธพรวิปัสนาแล้วเลี่ยนเราเบ็กกันก่อนนี้เราเป็นแผนทีนะ่เราเป็นสาวกตาวคภูมิเราเชืงปริยัติรู้ได้ในปริยัติแค่ไหนที่จำเป็นเราก็จะต้องเรียนรู้ว่าถ้าทำการกิจในาศาสนาพุทมีสองอสมถะกับวิปัสนา จะสมถะทำอะไรเพื่ออะไรทำอย่างไรวิปัสสนาเนี่ยจะทำอะไรเพื่ออะไรทำอย่างไรต้องรู้อย่างวิถีของจิตทำงานแดงไงอะไรอย่นไม่ต้องไม่ต้อ ง, องเลยเป็นเองก็เห็นได้ด้วยถ้าขอให้เราเห็นตัวขันให้ได้คือเราเรียนวิปัสสนาเราต้องเรียนต้เห็นตัวรูปตัวนาม รูปนามนี mm ้รู้ด้วยการคิดด้วยการอนุมาณไม่ได้ต้องเห็ตัวจริงนะอย่างเรารู้รูปตัวจริงในรูปยืนเดินนั่นนอนนี่รูปตัวจริงคนหมอติดยืนหมอติเดินอี้ความคิดนี่สมมุติบรรจักันะอย่างเรารู้รูปยืนเดินนั่นนอนเป็นรู้รูปหายใจเข้ารูปหายใจออกเป็นนี้รู้รูปเป็นส่วนรูป จะแจกแจงเป็นมหาภูตะูปอุรปาทายรูปเท่านั้นเท่านี้อะไรนี้ไม่จบเป็นตรงรู้ก็ได้นามก็เหมือนกันเราสามารถรู้ได้ว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็น J C. เจตสิกรารู้เท่านั้นก็พอนะ สัตวารู้เนี่ยก็คือการรู้โดยปัจจั ก, จกปักจจักปัญหาอย่างเวลาเรารู้รูปเนี่ยในตาเรามองสอังเกนไม่บางครั้งเราลืมตัวเราเองเป็คนเด่นมาเราดูเขาเราลืมตัวเราเองเนี่ยไม่สัตวารู้ละถึงรู้ดูอย่างจริงจังดูอย่างหลงมันก็จะหลงไปว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรขึ้นมา หรืหลงไปแล้วติดคิดเอาไว้ที่เห็นมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัตวตนเราเขาเขาหลงเหมืกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตเราหลงไปจิตเรามีปัญหาที่มีความทะ ย, ยานไปยึดรูปปัญหาที่ความพย า, ยานไปยึดรูปเรียกมารูปปัญหาบาจิตที่รูปปัญหาขาดไปเราจะรู้รูปมันจะสักว่ามัปเ น, นื้อปัญหาที่เราเรียนเคยเรียนเราเรียนปัญหาสามอย่าง กามาตัญหาภวะตัญหายิบภาวะตัญหาเรารู้จักกันเรื่องพวกนี้ในสติปัฏฐานในตัญหาที่สอนตัญหาหกอย่างตัญหาในรูปตัญหาในเสียงกลิ่ลรสปวดสะพัสตัญหาในธรรมารมเรียกว่าธรรมตัญหาอย่างเวลาเราอยากปฏิบัติธรรมลงเบอเชียน้อมใจตระกาะอารมณ์ข้างในได้ทำด้วยธรรมตัญหา ถ้ามไรเราสามารถรู้ว่าจิตมีกัรหาหลวงปู่ดูเชัยกว่าจิตส่งออกจะส่งไปข้างนอกต่างๆมหูจมูกเลี้ยงใจส่งเข้าข้างในหรืส่งทางใจนั่นถือว่าส่งออกทั้งหมดส่งออกหลวงปู่เทพแยกส่องไปส่งออกข้างนอกกละส่งในหลวงูดูเรียกส่งออกหมดเลยเรียกส่งออกนอกออกไปนอกจากการรู้สึกตัวถ้าเมื่อไหร่จิตเราส่งนอกส่งในส่งออก จิตมีปัญหาจะไม่สักว่ารู้จะกระโจนลงไปรู้พอกระโจนลงไปรู้มันแค่จะรู้รู้ผิดๆในตาความเคยชิน อ, อย่างตาเห็นรูปก็จะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปผู้หญิงรูปผู้ชาแต่ถ้าไม่มีปัญหาจิตไม่กระโจนลงไปตาเห็นรูปเราจะสักว่าเห็นเห็นอะไรเห็นสีเท่านั้นเองสีตัดกันเป็นรูปร่าง เขาไม่เห็นอะไรทุกวน้แลกบารั้แล้วรู้สึกอยากเยมืนนเาแมอาจจะรู้ว่าไม่อคหแล้วาก็มานแล้วก็อไปแล้วรู้สึกผ่ายูสบายสบายรู้สบายสบายใช้ๆถ้าเข้าไปในห้องเหมือนดูใกล้ชิดเหมือนเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านผ่านมาแล้วก็อ่นผ่ามาอา เดี๋ยวก็มาแล้วก็ไปแล้วก็การรู้มันมีสองชั้นซ้อนกันอันหนึ่งรู้ว่ามีอะไรมาแล้วอะไรไปไถ้าปัญญาแก่กล้าเป็นไอรู้อย่างแรกเนี่ยเรียกรื่อย่างเป็ น, ปนแค่อนุปัสนาตามรู้ตามเห็นเวทนาไปได้วยเวทนานุปัสนาแต่จะขึ้นอนุปัสนาได้เนี่ยเราเห็นตัวเวทนาที่ปรากฏมันเป็นแค่นำมาทรอนี้มัไม่ใช่ตัวเรา จะเห็นอยู่องนันนะวาน เออเร้อาให้มเอัเอเาัเอเกการดงือกาัเอเ เห็นว่ไม่ต้องไปคิดว่าม <oon normal Oliver> ันจะเป็นอะไรเป็นอะไระไยุดสับแต่ตาคนก็ไม่ตาคนแต่ก็สติปัญญามัน ธรรว่าอนยะ่านี้คุณปล่อยวางเร็วคุณแต่เดี๋ยวไปดักล่วงหน้าคือถ้าเราไม่เอาความคิดเข้าไปใส่นะจิตมันเดินไปไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ถ้าเราปิดจิตอย่าซูว่าเวทนามาเรารู้ว่าเดี๋ยวจะเห็นจิตไหลไปเกาะมื่อนไม่อก่อนเมื่อก่ไม่ได้ ถ้าเห็นเมตนาะาสติปัญญามนันก็มัุดูดไปเลยโดยราอยากติดใจไปเลยใช่ดูแลสบาย กายก็ให้จิตวันมีลสกษณะตรงนี้มหาภูสุจิตจิตเบาจิตอ่อนโยนรุ่มนวน